ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าถือโทษวัชชักภิกษุเลยวัชชักภิกษุหาได้มุ่งประทุษร้ายในขณะเรียกภิกษุทั้งหลายด้วยวาทะว่าไอ้ถอยวัชชักภิกษุเกิดในสกุลพราหม์ห้าร้อยชาติไม่ขาดสายก็แต่ว่าที่เรียกใครๆเป็นไอ้ถอยนั้นวัดฉัภิกษุประพฤติมานานและด้วยความเคยชินนั้นจึงมาประพฤติอีกในการนี้